เรื่องทรงไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุเก้าเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งทรงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปยังวิหารมียักษ์ดุพวกยักษ์ฆ่าภิกษุนั้นมรณภาพท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอาบัต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 สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่าส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปยังวิหารที่มียกักษ์ดุพวกยักษ์ไม่ฆ่าเธอภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัติปาราชิกแต่ต้องอบัตทุลจใจวงเล็บเรื่องที่74สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง ส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่ที่กันดารมีสัตว์ร้ายเราสัตว์ร้ายข่าท่านมรณภาพภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบรองตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอบัติวงเล็บเรื่องที่74สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะฆ่า ทรงภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่ที่กันดานมีสัตว์ร้ายเหล่าสัตว์ร้ายฆ่าภิกษุนั้นมรณภาพท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่76สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งสรงภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไปยังที่กันดานมีสัตว์ร้ายเหล่าสัตว์ร้ายไม่ฆ่าภิกษุนั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตตปาราชิกแต่ต้องอบัตทุลจใจวงเล็บเรื่องที่77สสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งส่งภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไปสู่ที่กันดานมีโจรพวกโจรฆ่าท่านมรณภาพภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จากข้าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่78สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จากข้าส่งพิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่ที่กันดานมีโจร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 เกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพรงตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตปาราชิกแต่ต้องอบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่80สิ